บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านปิงคยะได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามาโดยลำดับในช่วงต่อมาท่านได้แสดงความรู้สึกศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกในทิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทิศใดก็ตามข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรู้นั้นไม่มีเลยนั้นจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้โปรดแสดงทางสำหรับดำเนินประพฤติปฏิบัติเพื่อท่านสามารถตุดค้นจากชาติและชาราไปได้ พระบุมีพระภาคเจ้าได้รับสั่งให้ท่านมองโลกตามที่ปรากฏอยู่ให้เห็นถึงความจริงของโลกโดยใจความว่ามนุษย์ทั้งหลายประสบความเดือดร้อนอยู่ถูกชาติและชาราห้อมลอ้อมไปเตอจุงมองให้เห็นความเดือดร้อนเหล่านั้นแล้วพยาม ดับตันหาเสียจากนั้นก็จะไม่เข้าถึงความชราอีกต่อไปข้อนี้ในทางปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนในเรื่องของทุกขสัต์และสมุทัยสัตว์ซึ่งเป็นภาพปรากฏชัดที่สามารถเห็นได้ในที่ต่างๆ ความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายนั้นบางอย่างก็เป็นเรื่องของของความทุกข์ที่จอนเกือกเข้ามาอาจจะมาจากปัจจัยภายนอกบ้างมาจากการกระทําของบุคคลของสัตว์เหล่านั้นเองบ้างและความเดือดร้อนเหล่านั้นก็เป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่ให้เห็นในที่ทุกทั่วไป แต่โดยปกติแล้วคนมักจะมองความเดือดร้อนนั้นในแง่ของธรรมดาธรรมดาไปไม่ต้องการจะแก้ไขก็ขทำเพียงบรรเทาลดความรุนแรงลงไปก็ถือว่าได้รับความสุขแล้วเช่นประสบประสบความทุกขจากการอยู่ในียบทใดียาบทหนึ่งนานจนเกินไปแล้วก็เปลี่ยนียบุไป ความทุกข์ที่เคยสัมผัสอยู่ก็เริ่มลดลงจะอยู่ในวิสัยที่ตัวเห็นว่าทนได้ก็จะตัดสินใจเอาเลยว่าสุขแล้วสบายแล้วดีแล้วไม่มีความเพียรพยายามที่จะแก้ให้ความทุกข์นั้นหมดไปอย่างทาวรทําให้บุคคลได้ประสบความทุกข์อย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนบางครั้งเมื่อมองในแง่ของความจริงท่านได้แสดงความจริงไว้ว่าโดยแท้ที่จริงแล้วทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกขไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับก้อนนี้เป็นการกล่าวแสดงถึงความจริงที่แท้จริงสรุปรวมทั้งความทุกข์ที่เป็นสภาวะคือเกิดแก่ตาย และความทุกข์ที่จอนเข้ามาครอบนาชีวิตของบุคคลเอาไว้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีทั้งปัจจัยภายในภายนอกปัจจัยใกล้ปัจจัยไกลและเหตุปัจจัยที่สืบสังสารวัตรมาแต่เวลาแสดงบางสิ่งบางอย่างประรบความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคล เป็นประสบความทุกเวทนาบ้างประสบอันตรายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองและแก่บุคคลอื่นบ้างเวลาเรื่องเหล่านี้ไปถึงพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่มองเฉพาะช่วงสั้นๆแต่ท่านมองว่าเป็นโทษของวัตะคือผลเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการที่บุคคลได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ได้กระทำกรรมไว้ดีบ้างไม่ดีบ้างผลทายุติสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่สำนวนนี้มักใช้กันในกลุ่มพระอรหันต์ทั้งหลายปรเป็นการมองสืบสาวถึงต้นตอที่แท้จริงของความทุกข์ซึ่งปรากฏในปัจจุบันแท้จริงแล้วความทุกข์เหล่านั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอดีต แต่สาวอดีตให้ไกลก็จะเริ่มต้นที่สังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดแต่สาวลึกไปอีกทีหนึ่งก็คืออวิชาตันหาอุปาทานกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายในสังสารวัตแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะรักษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้อาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะล ด, ดลง ตามสมควรแก่เหตุปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดหรือเป็นเหตุให้ลดหรือเป็นเหตุให้ทรงแต่ตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นและลดลงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระดับใดระดับหนึ่งอยู่เสมอในจุดนี้เองบางครั้งถากว่าเป็นความทุกข์ที่เราเรียวกว่าเวทนาคือรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นที่กายก็ตามที่ใจก็ตาม ในการมองนั้นบางครั้งท่านก็สอนให้มองที่ตัวเวทนาที่กำลังเสวย อ, อยู่ในขณะนั้นละเพ่งดูที่ตัวเวทนาให้รู้ตามความจริงว่าเมื่อเสวยทุ ก, กเวทนาอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เราเสวยทุ ก, กเวทนาเวลาทุ ก, กเวทนาปรากฏก็รู้ว่าขณะนี้เราเสวยทุกเวทนาอยู่และแม้แต่ความสุขความทุกข์ไม่ปรากฏเด่นชัดที่ท่านใช้คำว่าไม่ทุกข์ไม่สุข คม่รู้ตามความเป็นจริงแถวนั้นและเพ่งดูในส่วนของเวทนานั้นเมื่อเพ่งดูไปเพ่งดูไปบุคคลก็จะประจักษ์แก่ใจว่าแท้ที่จริงตัวเวทนาที่ตนกะลังสวยอยู่นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรแก่เปลี่ยนของแกได้เรื่อยเพิ่มขึ้นบ้างลดลงบ้างมีลักษณะเหมือนคลื่นในมหาสมุทร ไม่มีความคงที่อยู่ในตัวของเวทนาเหล่านั้นจากความคิดในลักษณะนี้แต่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ภายในจิตใจือเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสุขเวทนาความคิดที่จะแสวงหาสุขเวทนาในด้านต่างๆก็จะค่อยๆบันเทบาบางลงไป เพราะความสุขที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ก็ดีความสุขที่เป็นทิพย์ก็ดีหรือแม้ความสุขระดับผลของจานก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการมสุขที่เป็นทิพย์ก็เปลี่ยนแปลงได้นับภาษาไรกะกามสุขที่เป็นของมนุษย์เมื่อมองไปแล้วก็จะ ลดละบันเทาความกำหนัดความเพลิดเพลิน อ, อย่างน้อยการควยคว้าแสวงหาสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของความอยากที่เกินส่วนจนเป็นเหตุให้บุคคลไปทำทุจริตเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งเหล่านั้นสามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนให้เดินไปในคันลองแห่งธรรมได้แต่ถ้าหากว่เห็นไปจากชัดแก่ใจของบุคคลถูงขึ้น ก็จะถ่ายถอนความกวหนัดความเพลิดเพลินความยึดจิตการไขว่คว้าในสุขเวทนาออกไปเล็กชั้นหนึ่งที่เรียกว่ามองเห็นในส่วนลึกซึ้งของสิ่งเหล่านั้นสามารถจะปล่อยวางได้ทั้งความสุขและความทุกข์เพราะแม้เมื่อสุขเวทนาแก่ไม่เที่ยงมีความแรปรเปลี่ยนแปลงไปได้สุขเวทนาก็ตก อ, อยู่ในสภาพอย่างเดียวกัน เวลาความทุกข์บังเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะความทุกข์เหล่านั้นบุคคลก็จะสืบสาวไปถึงตัวความทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของตนจะทางกายหรือทางจิตก็ตามหรืออาจจะประสมประสานกันทางกายและจิตเพราะแท้จริงแล้วความทุกข์เหล่า น, นี้เมื่อก่อนก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่บัดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแกเกิดขึ้นมาจากอะไรมาสืบสาวไปถึงต้นต่อ ก็อาจจะตัดความสาเหตุเหล่านั้นลงไปซึ่งข้อนี้พึงสังเกตว่าโดยส่วนใหญ่แล้วความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลก็ดีที่กายของบุคคลก็ดีเกิดจากการปรุงคิดคิดปรุงหรือปรุงแต่งของบุคคลไปกำห น, โนโดหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้และในที่สุดด้วยความคิดเหล่านั้นเอง จะเพิ่มทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจข้างตนเช่นเวลาประสบทุกข์คือความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยวิธีการใดก็ตามเมื่อทุกขเวทนาเหล่านั้นบังเกิดขึ้นถ้าบุคคลไปเพิ่มความยึดติดว่าเราป่วยเราป่วยเราเจ็บความเจ็บความป่วยนั้นจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าบุคคลสามารถยอมรับกติของธรรมดาว่าความเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเจ็บขึ้นแล้วแม้เราจะไปยึดถือว่าเราเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาอะไรได้นอกจากให้ผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เข้าจัดปัดเป่าแก้ไขให้แล้วทำใจมัธยัติเป็นกลางไม่ปล่อยให้ความตุ ก, กัดกร่อนจิตใจของตอนเองมากเกินไปที่จนใช้คำว่า แยกกายออกไปจากจิตหรือแยกจิตออกจากกายส่วนใดป่วยส่วนใดเจ็บก็ให้ป่วยให้เจ็บเฉพาะส่วนนั้นเช่นปวดที่เข่าก็ให้ปวดเฉพาะที่เขา่าปวดที่ศีรษะก็ให้ปวดเฉพาะศีรษะเวลาบำบัดก็ใช้ยาบำบัดไปตามทุงควรแกร่กรณีแต่แมเอาใจไปบวกไปผสมผสานกับเรื่องเหล่นั้นจนกลายเป็นความยึดจิต อันจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นดังล่าวแต่ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลมองในแง่ของความไม่สามารถดํารงคงอยู่ได้ก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยนี้ใครก็ตามเมื่อป่วยเช่นนี้และอยู่ในระดับเดียวกันอาการเสียดแทงก็จะรุนแรงในระดับเดียวกัน แต่เมื่อแกเสียดแทงได้แก่ก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้โอกาสที่จะหายก็มีได้และโอกาสที่จะตายก็มีได้ทําให้สามารถปรับใจยอมรับความจริงและเสี่ยมกายเสี่ยมจิตเอาไว้พร้อมที่จะเปเชิญความจริงซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนแม้ไม่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นในช่วงต่อต่อไปจิต ใ, ใจของบุคคลก็จะได้รับความสงบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นการสอนในแนวของ ทุกที่จอนเข้ามาซึ่งปรากฏในรูปของความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นแก่สัตว์แก่สังคมและแก่โลกกันเป็นส่วนรวมภาพเหล่านี้แท้ทจริงแล้วก็คืออาการเคลื่อนไหวของทุกสัตว์ที่เป็นรูปธรรมปรากฏให้บุคคลเห็นทั้งเจตนาทั้งกรรมทั้งผลของกรรมแล้ว และเมื่อตอนไปประกอบกระทาเช่นนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยลักษณะเดียวกันในชั้นศีลธรรมจัญญาก็ช่วยให้มีการงดเว้นระมัด ร, ระวังไม่สร้างเหตุแต่งความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็อย่าให้มากเกินไปในยันต่อไปทรงสอนในแนวของสภาวะคือความจริง แ, แท้จริงซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแก่ชีวิต เฉพาะในที่นี้ทรงเน้นไปที่ความแก่ที่ตั้งปัญหาถามว่าทำไมเน้นไปที่แก่ก็เพราะว่าท่านปิงคียะนั้นปรากฏว่าเป็นคนที่ออกจะแก่มากอัตรกถาจารย์บอกว่ามีอายุถึงร2อยี่สิบปีแล้วเพราะันท่านเองเวลาถามปัญหาจึงเน้นไปที่ความแก่ ในเวลาพระพุทธเจ้าทรงสดแสดงก็จับไปที่ความแก่เป็นประเด็นชี้ให้ท่านหลีกหนีสาเหตุแห่งความทุกข์กนั้นนั้นเรื่องของความแก่ที่จริงก็เป็นครูที่สั่งสอนบุคคลให้เข้าใจถึงกติธรรมดาของชีวิตครนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่า ปัจใจที่เป็นแรงผลักดันให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกพนวดนั้นก็อาศัยคนแก่ด้วยกลุ่มหนึ่งหดี๋น้อมนึกมาจากคนแก่นั่นเองว่าแม้พระองค์เองก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่สามารถผ่านพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พระญาติวงพงษาคณาญาติแม้พระนางพิมพาอันเป็นที่รักของพระองค์ ในที่สุดก็จะจบลงด้วยความแก่เช่นเดียวกันราะันความแก่จึงได้ชื่อว่าเทวทูตคือผู้ส่งข่าวสารที่ประเสริฐให้บุคคลได้ทราบความจริงของชีวิตพอแม้ท่านเองก็ต้องเป็นเช่นนี้เพราะธรรมชาติของชีวิตแล้วจะต้องเป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาวะของชีวิตแก่เป็นเช่นนี้ จึงไม่มีใครจะผ่านพ้นความเป็นชิ้นนี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันความแก่เหล่านั้นก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากความเกิดและช่วงเกิดถึงแก่บุคคลก็ประสบกับความทุกข์ที่จรเข้ามาในลักษณะต่างๆ ไม่่าจะเป็นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกความเสียใจความคับแครนใจการต้องเกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวกับคนที่เราไม่ชอบคนที่คนที่เราชอบต้องพลัดพรากจากไปบางครั้งก็เกิดอาการครับแค็ง อ, อึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆจนรู้สึกคอเคียวขดผูหมดอะไรตายอยากในชีวิตเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการไปมุ่งหมายไปยึดมั่นถือปั่นไปกำหนดหมายให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างที่ตัวตัวต้องการจะให้เป็นเมื่อไม่เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นก็เดือดร้อนข้อนี้เพิงสังเกตว่าการเป็นกำหนดหมายในลักษณะนั้นแล้วสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา แม้แต่รับประทานอาหารตนต้องการอาหารเช่นอย่างหนึ่งซึ่งมีรสชาติอย่างหนึ่งเมื่อคนปรุงอาหารอย่างหนึ่งมีรสชาติอย่างหนึ่งให้ก็จะเกิดความคับแคนความไม่พอใจแต่อาหารจานนั้นเองอาหารในถ้วยนั้นเองถ้าบุคคลสามารถทำใจได้โดยการพิจารณาตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ ถึงการพิจาราก่อนบริโภคอาหารและแม้ในขณะบริโภคอาหารโดยการให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ห่งการบริโภคอาหารว่าการบริโภคอาหารนี้เพื่อกระจัดความหิวกล่าวป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกําลังสามารถประกอบกิจการงานประพฤติปฏิบัติความดีได้อาหารเหล่านี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการรับประทานอาหารได้ แล้ก็รับประทานอาหารเหล่านั้นออกไปลงไปโดยไม่ไปมุ่งหมายจะให้เป็นอย่างที่ตัวเป็นเสมอไปอานเหล่านั้นก็จะเป็นอาหารที่ให้ความอริตร่อยความพอใจแก่บุคคลผู้นั้นนั้นเรื่องของจิตใจจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะไปกําหนดหมายให้อะไรเป็นอะไรหรือต้องการจะให้อะไรเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับใจ ใส่ใจไปคำกำหนดหมายในแง่ของความจริงดังกล่าวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นประเกิดขึ้นก็ทำใจได้แต่แม้จะเป็นเรื่องของความพลาดพลาดสูญเสียแตกสลายทำลายจนถึงก็ตายไปก็กลายเป็นคนที่ปรงตกได้ยอมรับคติแห่งธรรมดาของชีวิตได้ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นเช่นนั้น และในช่วงต่อไปก็ส่งเน้นไปที่ความตายซึ่งเป็นการเชื่อมโยงมาจากความแก่ความตายและความแก่นั้นปรากฏแก่ใจของท่านปิงกิยะมโนบได้ชัดเจนมองเห็นโทษเห็นทุกข์เป็นความไม่สบายกายความอึดอัดความขัดข้องเพราะอาศัยความแก่เป็นเหตุได้อย่างชัดเจนตรวคนแก่อายุร้อยกว่าปีนั้นเป็นเรื่องแน่นอนเหลือเกินว่า อวัยะวะร่างกายประสาทส่วนต่างๆของร่างกายไม่สามารถได้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้อย่างสำนวนที่ท่านใช้คําว่าแม้มือเท้าตัวเองก็ควบคุมไว้ไม่ได้จะสามารถควบคุมคนทั้งคนด้วยตนทั้งตนให้ประพฤติปฏิบัติความดีได้อย่างไรเมื่อส่งสะท้อนภาพที่เป็นความทุกข์ที่กล่าวโดยสรุปก็คือ ความทุกข์โดยสภาวะและความทุกข์ที่จอนเข้ามาให้ประจักษ์ชัดแล้พวพระพุทธเจ้ า, าก็ทรงแสดงสายเขตุที่เกิดปัญหาอันไม่พึงปรารถนาเหล่านั้นโดยทรงชี้ไปที่ตันหาทั้ง3ประการคำว่าตันหาทั้ง3ประการนั้นเป็นการจัดประเภทของตันหาตามที่จำทรงเรา้ทราบกันแพร่หลาย คือการมาตัณห า, าการที่จิต ด, ดิ้นรนทะเยอะทะยานอยากไปในวัตถุกรมต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการครอบครองต้องการดำรงอยู่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นการฝืนคติของธรรมดาเพราะแท้จริงแล้วความอยากได้ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นถ้าหยุดอยู่เพียงนี้ ก็มีแต่จะแผดเผาก่อให้เกิดความ ร, าร้อนแต่ก็ใช้ความพยายามด้วยแรงผลักดันจากความอยากมากเกินไปก็จะสร้างความเดือดร้อนในแก่นตนเองเพราะต้องไปทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมขึ้นแต่ถ้าสามารถควบคุมทิศทางของการสแสวงหาได้แม้จะมีความอยากก็ไม่ไม่มีความอยากจนเกินเหตุ ผู้ารูไม่ อ, อยู่ในกรอบของศีลของธรรมะได้แต่บุคคลก็ยังเดือดร้อนเพราะความอยากเป็นเหตุอยู่นั่นเองทานี้เป็นเพราะอะไรเพราะตามปกติแล้วความหวังนั้นจะเกินความพยายามของบุคคลเสมอไปบุคคลใช้ความพยายามระดับหนึ่ง ต, ต้องการผลที่เกินเหตุ จากการที่บุคคลใช้ความพยายามระดับต่ำแต่ต้องการผลระดับสูงนี่เองกิจกรรมที่สนองตอบตัณหาและวิชาที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลก็เกิดขึ้นเช่นเรื่องการเล่นขโมยการเล่นสลากกินแบ่งการเล่นหวยเบอร์เป็นต้นเป็นเรื่องของการใช้ความเพียรพยายามน้อยแต่ต้องการผลมากของบุคคลทัง้งหลาย ดังนั้นเมื่อไปเกี่ยวข้องเข้าก็ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ซึ่งก็หมายความว่าอาวิชาได้เพิ่มสูงขึ้นภายในใจคนถูกตัวเองหลอกตัวเองหลังจากซื้อสลากกินแบ่งมาแล้วก็มาสร้างจินตนาการเพื่อจะนำเงินซึ่งตนได้จากถูกสลากรางวัลที่หนึ่งไปซื้อสิ่งนั้นไปเที่ยวในที่นี้เป็นต้น ผ่านการเวลาผ่านวัยแห่งชีวิตไปเป็นอันมากนันเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายผู้ยังมีตันหามากในอารมณ์แต่ก็มีความเกียดคร้านอยู่ภายในใจด้วยความเปลี่ยนพยายามของบุคคลจึงมักจะตม่มแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผลในระดับสูง ในความรู้สึกเหล่านี้เนื่องจากบุคคลไม่สามารถตัดกระแสของตันหาได้แม้แต่การบําเพ็ญเพียรทางจิตหรือการกระทําความดีในชั้นต่างๆจะเป็นชั้นทานชั้นศีลชั้นภาวนาก็ต่ำคนส่วนมากใช้ความพยายามน้อยแต่ต้องการผลทึ่งเกิดขึ้นจากการความพยายามน้อยนั้นให้มาก จะนั่งสมาธิเพียงไม่กี่นาทีต้องการความสงบต้องการบรรลุฌานต้องการเห็นสิ่งนั้นจึงนี้ต้องการเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นนรกเป็นต้นเมื่อไม่สามารถจะเห็นได้จึงมีกิจกรรมในลักษณะหนึ่งที่ส่งเสริมให้เพิ่มอวิชชาเพิ่มตันหาความมืดบอดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคล นั่นคือกิจกรรมในลักษณะสะกดจิตเพื่อบุคคลปรุงคิดคิดปรุงโดยอาศัยจินตนาการจากเรื่องราวจากภาพฝาผนังจากสถานที่ต่างๆเป็นต้นทำให้บุคคลมีความรู้สึกว่าเมื่อหลับตาไปแล้วก็ติดต่อกับสวรรค์ได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้ไปเยี่ยมไปจุฬามณีเจดีสวรรค์ได้เป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ถ้าใครขืนทําเข้าก็จะมีความเจริญก้าวหน้า มีคนเคารพนับถือมากมีคนเชิดชูมากมีคนสนุกเพลิดเพลินกับเรื่องเหล่านี้มากท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคคลผู้ใช้ผู้ไม่ชอบใช้ความเพียรพยายามให้มากแต่ว่าต้องการผลมากนั่นเองให้กิจกรรมในลักษณะนี้สามารถจะมองเห็นได้ในส่วนอื่นๆเช่นการซื้อหนึ่งขายหนึ่งหรือว่า ซื้อของแล้วก็แถมของแจกมีของรางวัลมีสลากรางวัลเป็นต้นล้นวนแล้วแต่เป็นการเชีย่ยเห็นถึงตันหาที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลมากเกินส่วนพอๆกับความขี้เกียจความเกียจคร้านซึ่งมีอยู่มากทำให้บุคคลไม่ยอมใช้ความเพียรประหยาดและต้องการผลที่เกิดขึ้นในลักษณะสะดวกสบาย บางครั้งจึงมีเรื่องราวการบวงสวงการอ้อนบอนการขอร้องการประสิทธิ์ประสาทจากสิ่งสูงสุดจนถึงกับต้องการให้เงินทองหล่นร่วงลวงมาจากอากาศเหล่า น, นี้ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอภิชาติหาที่มีอยู่ภายในใจคนเพราะบุคคลปรารถนาสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภจิตใจตนใคร่ปรารถนาและพอใจ แต่เนื่องจากกระแสของตัณหาแก่ไหลไปจะมีตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิน่นตัณหาในรสตัณหาในผลระพะตลอดถึงตัณหาในอารมณ์ที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจนั้นมีมากความเพียรพยายามของบุคคลก็ไม่มากพอเมื่อใช้ความเพียรพยายามไปแล้วพอถึงระดับหนึ่งบุคคลก็จะมีปัญหาเพราะตัณหาเหล่านั้นเป็นเหตุอีกชั้นหนึ่ง นั่นก็คือแม้ใช้ความเพียรพยายามไปแต่ความเพียรพยายามมือไม่มากนักหรือแม้จะมากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามนั้นบางครั้งจะไม่ประสบผลบางครั้งจะประสบผลเพียงครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งบางครั้งอาจจะประสบผลตามที่ตนต้องการและมีอยู่บางคนซึ่งมีจำนวนน้อยอาจจะได้รับผล เกินที่ตนต้องการทึ้งจะเห็นได้ว่าแม้บนเส้นทางของความเพียรพยายามนั่นเองผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของบุคคลก็ออกมาถึงสี่ประเภทด้วยกันถ้าจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทางนี้เป็นเพราะว่าชีวิตของบุคคลไม่ได้เกิดมผลเดียวเพียงชาตินี้ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของบุคคลขึ้นอยู่กับกุศลกรรมอกุศลกรรมในอดีตเป็นปัจจัยสนับสนุนด้วย แต่ตัวการใหญ่จะต้องอาศัยความเพียนพยายามในปัจจุบันเป็นตัวหลักสําคัญแต่นั้นแม้ในช่วงของการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนแม้จะใช้ความเพี่ยนพยายามไปแล้วแต่ความทุกข์ก็คงจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่สมหวังหรือว่าได้เพียงครึ่งเพียงกึง่งถ้ามาบุคคลที่สมหวังหรือว่าสมเกินที่หวัง ก็จะมีความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นในชีวิตของตนเช่นเดียวกันดังนั้นตันหาจึงเป็นเครื่องร้อยรัดใจที่นำความทุกข์มาสู่บุคคลทั้งส่วนที่เป็นทุกจรและส่วนที่เป็นสภาวะวัตถุเหตุนั้นพระผู้มพภทธเจ้าจึงทรงสอนบุคคลลดละผ่อนคลายสงบระงับดับตันหาอย่างน้อยที่สุดก็อย่าให้ตกเป็นทาตแห่งตันหา จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตา้งความสงบสืบต่อไป